ชาในฝนตกมาได้สวดธรรมจักราววสูตรกันเป็นบทที่ทำให้ปราญยาคนัญญะเป็นพระหันได้จแบงหากันมานมีบทขุดพ้นหรือว่ามกธรรมทำให้จิตใจเกิดอิสรภาพขึ้นมา ใช้เวลาอยู่หลายปีวันเอาสารหาบูชาก็<ม>คือวันเพ็ญเดือนแปดพุทโงกมีความสำเร็จที่สามารถเผยแผ่ทำหลังจากค้นพบมามเป็นเวลาสองเดือนท่านก็ ใครควรหรือว่าพิจารณาหรือว่าหาวิธีการที่จะเผยให้แผ่เพราะว่าลัทธิมันมากมายและเกินที่เกิดขึ้นมาก่อนบูชาเจ้าแม่กาลีบูชาพระแม่คงคาบูชาพนาลายัยพระศิวะมากมายที่มีสมหยประการราสหาเกิดขึ้นมาเนื่องจาก พระองมีพระปัญญาญาณความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความไม่แก่ก็มีความไม่เจ็บก็มีความไม่ตายมันก็มีความพัดผากจากของรักของชอบใจปัจจุบัสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นครับอกครับใจครับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากภายสุดคืพบคำตอบ มก็มาถึงยุคปัจจุบันที่พวกเราทุกคนก็หวังว่าศา ส, สนพุทธด้ความเชื่อแบบพิถีพุทธจะพาเราไปถึงจุดหมายปทางของชีวิตที่เรายังมีหายลมหายใจกันอยู่สิ่งที่เราจะต้องน้อมนำเข้ามาแล้วก็ฝึกหัดพัฒนาจิตตภาวนา ให้มีการเข้าถึงเนืาว่ารูปแบบในทุกๆขณะคำว่ารูปแบบในทุกๆขณะนี่ก็คือลักษณะของจิตที่มันเหลวไหลมันไม่มีตัวตนแลวมันชอบสบเป็สสแปะภาษ า, าศาสนาเรียกว่าสัมปเวสีหรือเรียกว่าโอปปาติกะ มันเป็นการเกิดที่ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมแต่ว่ามันมีพลังเหลือเกินสามารถทำให้เราไหลไปหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวไปสู่ความคิดที่เป็นภพชาตคิคิดโกรธคิดโลภคิดหลงคิดรักคิดจังคิดเป็นบุญคิดเป็นบาป ไปอดีตไปนาคตรหรือว่าวิพาษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายที่มันเหลวไหลแล้วก็มีพลังแล้วก็ใส่กรอบหน่อยใส่รูปแบบหน่อยเหมือนกับคอนกรีตเมื่อเจอน้ําก็ไปปูนซีเมนต์หินทรายใส่น้ำเข้าไปก็เหลวมันต้องการขึ้นรูปก็เราก็ใส่แบบเข้าไปถ้าเป็นเสาเป็นคานก็สี่เหลี่ยม หรือว่าเป็นแเหลี่ยมวงกลมอะไรก็ตามสามเหลี่ยมมันก็มีแบบมากมายที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตพอใส่กรอบก็ไปใส่แบบก็ไปสิ่งที่เหลืออะไรก็เกิดการตั้งมั่นขึ้นมาเซตตัวความกดของธรรมาชาติแข็งตัวเมื่อไรเจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันยี่สิเอ็ดวันหนึ่งเดือน บ่มได้ที่ ร, รับแรงได้มากมายแล้วเกินสันใดก็ดีจิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นละชอบคิดแปรเดตมีความทุกข์มีปัญหาต่างๆแก้ไม่ตกพอกลับมาเคลื่อนไวรู้สึกตัวไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมดูลมหายใจอันนี้ก็คือให้จิตใจเกิดความตั้งมั่นกันมาก็เรียกว่าสมาธิ ก็เกิดความตั้ามั่นกับรับแรงได้อีกมากมายแล้วเกินถ้าเป็นลนักษณะของตั้งมั่นแบบสมถะก็จะกบดานหลบยุ้รู้อยู่แค่หนึ่งอารมณ์แต่หากเป็นทิปปัสนา ม, มันก็จะรู้หลากหลายเกิดปัญญาแตกฉานออกมาอยู่ว่ารู้รูปทำนามทำทั้งในตัวทั้งนอกตัวจะมีจุดตั้งมั่นอยู่ก็คือสภาวะผู้ดูนั่นเอง จะเกิดความเป็นกลางขึ้นมาอันนี้เป็นอันที่ส่งเป็นผลเกิดจากการที่มันเก๊กมันเก่งมันเพ่งมันจ้องหรือบางทีมันก็เผลอไปเผลอมันก็ดีเพ่งจ้องมันก็ดีปลายสุมจะเจอสภาวะไม่เพ่งไม่จ้องไม่เผลอเกิดความพอดีขึ้นมาอันนี้แหละก็คือการฝึกการหัดเบื้องต้นเลยจะให้ไม่เพ่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่า มันมือใหม่หัดขัดเริ่มต้นที่จะฝึกหัดในใหม่อะไรก็ตามก็ต้องเก่กเกงเพ่งจ้องจะเขียนหนังสือจะฝึกหัดเขียนให้ได้อ่านให้ออกมันก็จะจับดิต่อบแบบเก่งๆมื่อยมือแต่พอเขียนไปเขียนไปเกิดการปล่อยวางขึ้นไหมพักแล้วก็เขียนใหม่เขียนใหม่เมื่อยมื อ, มอแล้วก็พักมันก็ชํานาญมันก็จะมีประสบการณ์จนกระทั่งท้าสุด มันเขียนโดยที่ไม่ต้องใช้กรอบใช้รูปแบบอะไรเป็นตัวบังครับก็ mm hmm. เหมือนกับคอนกรีต hmm. พอหลังจากที่ตั้งมั่นดีแล้วก็ถอดรูปแบบออกหรือว่าเหมือนกับจิตใจของเราเวลาที่เราเกิดจิตใจที่มันตั้งมั่นดีมีปัญญายาณขึ้นมารูปแบบมันก็ละเอียดลงไปกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาการเคลื่อนการไหวของกายของจิตสติ การรู้ที่มันมีความชำนาญมีความว่องไวคล่องตัว mm hmm. ก็จะทางานตามกฎของธรรมชาติอันนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกอัดฉะนั้นก็้งเกิดผลขึ้นมาจริงๆ mm hmm. แล้วก็จึงนี่แหละมารวมตัวกันใช้สปายยะใช้ความสะดวกสบายสปายยะคือสปายสบายให้เกิดประโยชน์ตนให้มากที่สุด mm hmm. ก็เรียกว่า ไม่ใช่มีความเห็นแก่ตัวตอนนี้เราก็หลบมาก่อนขัดว่ายน้ําให้จานานก็คือต้องใช้สระน้ํามีลักษณะของผู้รู้หรือว่าการที่เราจะทําอะไรก็ตามการเรียนหนังสือเราก็อาจจะใช้ลักษณะของโรงเรียนหรือสถาบันแต่ว่าก็จะมีการเรียนอีกชนิดหนึ่งก็คือเรียนจากกฎของธรรมชาติจริงๆ ก็คือเรียนจากสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเช่นใหญ่ไฮจันทสารเป็นผู้หญิงที่สูงอายุคราวนี้รัฐบาลในการทำเขื่อนกั้นน้ำค่้ยละห้าทีนี้น้ำมันขึ้นมาปริมาณน้ำาก็ ท่วมที่ดินของยายไหจันท asan ที่สําคัญ ท, ที่สุดก็คือรัฐบาลไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายยายไหจันท asan ก็เรียกร้องรวมตัวสู่แบบอาหิงสารัฐบาลก็เงียบเฉยเป็นเวลานานยายไหจันท asan ก็เรียกร้อง ตอนหลังก็ไปศึกษากฎหมายซื้อหนังสือกฎหมายมาแล้วก็ศึกษาอ่านจะมีวิธีที่จะต่อรองต่อสู้ไปทางทิศไหนที่มันจะได้เกิดผลประโยชน์ของตนกลับคืนมาท้ายสุดก็คือรัฐบาลก็ต้องยอมในขณะที่เพื่อนรอบๆตัวหลายคนไม่สู้ต่อไป ยอมแพ้แล้วก็ถอยลูกสาวใยายไฮจันต์สายก็บอกแม่พอคอเราไม่มีจะ ก, กินกันอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าตายนะนะถึงจะเลิกสู้ <c oughs> เสร็จแล้วท้ายสุดก็ชนะในสมัยรัฐบาลของอภิสิทธ์อภิสิทธ์ก็เอาเงินไปจ่ายจำนวนสามล้านบาทแล้วก็มหาวิลลย ลามการแหงก็ให้ทฤษฎีบัณฑิตคิตติมศักดิ์ทางด้านกฎหมายไตรยห้จันทสารอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่มันบีบกันจนกระทั้งท้ายสุดก็คือมันพบทางออกขึ้นมาแล้วก็มีมหาหลายัยหลายมหาหลัยที่สอนกฎหมายกันตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็จบกันในเวลาสี่ปี หรือว่าจะกี่ปีก็ตามบางคนก็สามปีเนี่ยเก็เปรียบเหมือนกับว่าการที่เราเข้ามารวมตัวกันที่นี่้เราใส่สบายะอากาศสบายหรือว่าอาหารสบายเยนาสนาสนะสบายคําพูดที่สบายมีมิตรมีเพื่อนมีผู้มีครูบาอาจารย์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการเร่งรัดเพว่าได้เพราะว่าเราอยู่กับทุกมาจนทั่งถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่พบคําตอบของชีวิตเรา เราก็หวังว่าการมาวัดมาวา่ามาวัดมันก็วัดจริงๆลงไปโดยเฉพาะรูปแบบมันวัดจริงๆการเคลื่อนไหวของมือแต่และขนาดแต่และจังหวะมันจะวัดจิตวัดใจของเราตรงๆว่าปกติหรือว่าผิดปกติไปบางทีก็เป็นสุขเป็นทุกข์พอเรามารู้สึกตัวแล้วก็สภาวะของความเป็นกลางปรากฏแล้วก็จะเห็นว่าความเป็นปกติรู้เฉยๆรู้ซื่อๆมก็คอเคลียวปรากฏขึ้นมา ขนาต่อขนาดเหมือนกันตรงนี้เราก็สะสมเก็บเกี่ยวใหม่ๆแล้วก็ประคับประคองนั่นแหละก็คือไม่เก๊กไม่เกงแล้วก็ไม่เผลอเขายามประคับประคองให้มันเกิดความพอดีขึ้นมารู้ให้เป็นปัจจุบันขนะดอย่างนี้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จึงได้ยินเมื่อสักครู่ทําบัดรสวดบอลเราก็สวดเสียงที่เปล่งออกมาจากเพื่อนบ้างจากตัวเราเองบ้างเราก็ได้ยินเสียงจากบทสวด แต่ก็พูดถึงทางสายกลางไปไดการสอนของพุทธองค์ที่เป็นลักษณะของบรรลือสีหานาต<ม>ก็คือกล้าที่จะแสดงออกโ<ม>ดยคาพูดเ<ม>จ้าทั้งมาเป็นบทสวดซึ่งไม่มีใครเคยแสดงออกแบบนี้มาก่อนบัลลือสีหานาตหรือว่าแผ่พลังดุจปยาอินทรียหรือว่าดุจอัญมณีที่เจริญในแล้วเห็นไหม แต่ตอนหลังเนี่เราก็สอนกันแบบตามแนวคำภีสอนหรือว่าอ้อนญาติโยม ช, มชมเจ้าสมนไกรลักตนพูดวกวนเหมือนไพเรือในอ่างหรือว่าพูดเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆเราก็เงียงหูฟังกันทั้งหมดเพราะว่ามันคือธรรมะคือธรรมชาติที่แสดงออกมาตามกฎของกรรมกฎของธรรมชาติต่างๆที่ผู้รู้ก็สื่อบอกกันต่อ ๆ, ๆไป ก็ถือว่าเป็นสปพยะเป็นลักษณะของการยานมิตรทั้งหมดแล้วก็น้อมเอาประโยชน์เข้ามาใส่ตนเป็นประโยชน์ตนเคยเกิดประโยชน์ท่านต่อไปเดี๋ยวว่ารูปแบบของการปฏิบัตินี่นะผมแรรมมาได้มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนะหลังจากที่เคยรู้จักท่านอาจารย์สมใจเมปี2526ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการนิมนต์ หลวงพ่อเขียนซึ่งหลวงพ่อเขียนก็ไม่ได้ไปคนเดียวไปกับอาจารย์อันเดกหรือว่าอาจารย์มหาดีเลกแล้วก็อีกหลายคนไปฟังทีแรกเนี่ยการเทศการสอนการบอกไม่รู้เรื่องเลยพาว่าพูดดูให้ดูอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าพูดถึงความรู้สึกตัวความสึกตัวก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าท่านบอกว่าเออเนี่ยถ้า ต้องการเช็คหรือว่าตรวจสอบว่าเรามีสติหรือเปล่ามีความรู้สึกตัวหรือเปล่าก็าลองขยับนิ้วก็บทบทดูหรือว่าลองเอามือกำไว้ด้านหลังดูกำดูแบดูกําดูแบ ด, ด, ด, ดูพอเราทําตามมีการปฏิบัติลงไปปรากฏว่ า, วามันมีจุดหนึ่งที่มันสังเกตเห็นอารมณ์ของตัวเองที่มันนิ่ง รรู้สึกมีการตั้งมั่นอยู่ในขนาดนั้นเลยแล้วก็เฉยๆโล่งๆดีปดโป่งรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวก็รู้สึกพออกพอใจตั้งแต่นั้นมาก็เห็นอาจารย์สมใจซึ่งตอนนี้ก็บวชอยู่เพิ่งบวชเจริสาแล่เจริสานี้แหละท่านก็พากลุ่มไปปฏิบัติบ้างที่วัดพาลาดบ้าง หรือว่าหาสถานที่ที่เป็นสถานที่สปายะของบุคคลส่วนลํำใยบ้างแล้วก็พากันทำคนที่ให้ความสนใจก็ไม่ค่อยมีหรอกเวลาเข้าถึงตัวปฏิบัติเนี่ยอันนี้ก็พิสูจน์ได้หรือว่าพอที่เราจะเข้าใจบ้างแล้วแล้วก็มีการนิมนต์ให้ไปบอกไปสอนไปชี้ไปนำเคยไปเมื่อสิบปีที่แล้วที่จุฬา ธรรมสถานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นอาจารย์ลวีพาวิไลกาลังสอนอภิธรรมอยู่อาจารย์แน่อาจารย์สุจินกลุ่มนี้ห้องด้านหน้าก็จะให้เป็นห้องของการปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่เปิดโล่งโเอาไว้ส่วนอีกห้องนึงก็เป็นสอนอภิธรรมปรากฏว่า คนส่วนใหญ่ก็หลังไหลไปฟังพระวิธรรมแต่ว่าตัวปฏิบัติก็จะมาแค่คนสองคนเนี่ยเป็นต้นแต่ว่าก็ได้ผลที่ว่าได้ผลคือตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ก็ยังเหมือนกับว่ามีการปฏิบัติแล้วก็ปักใจเห็นว่าความรู้สึกตัวว่าการเจริญสติน่มันช่วยเราได้จริงๆทุกครั้งที่เผลอกิดไปหรือว่ามีปัญหาตัวอารมณ์แล้วก็แก้ไม่ตก พอกลับมารู้สึกตัวเช่นในรูปแบบก็ตามหรือว่านอกรูปแบบกลับมาหาลมหายใจหรือว่าขยับตัวเล็กๆน้อยๆหรือว่าจิตที่มันมีความตั้งมั่นแล้วเกิดสติแล้วสามารถที่จะกลับมาหาตัวสติปัฏฐานได้ทันทีอันนี้ก็หมายถึงว่าฝึกหัดจนกระทั่งมันมีความชนานาญแล้วอารมณ์เบื้องต้นเลยคือจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายนะชัดเจนแล้วพอทําไปทําไปจิตเกิด ความฉลาดขึ้นมาเกิดความคุ้นเคยขึ้นมาก็จะเห็นอาการของกายนะมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นมาเช่นนั่งนานๆเจ็บปวดเมื่อยโดนอากาศเย็นมันก็หนาวสะท้ า, านปวดปัปสสาวะอุจาระนะร้วยหิวข้าวปกติเราเคยหิวแล้วก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาโมโหขึ้นมาแต่ตอนนี้นะเราหิวอย่างเช่นว่าเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ทานข้าวหรือว่าผมเลือดตามาใ น, นเมื่อวานก็ไม่ได้ทาน อะไรมากมายเพราะว่าล้างสารพิษอยู่เช้านิ่มก็หิวแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็คงจะซกซกซกซกซกหาอาหารมาใส่ปากใส่ท้องะหรือว่ามันก็งุดหงิดแล้วแหะ ว, ว่าจะรอเวลาฉันตอนเช้าก็งุดหงิดแต่พอเราฝึกขัดไปเราจะเห็นว่ามันธรมธรมดาธรรมดาหิวแต่ไม่โมโ oh หหิวกายทุกข์ทรมานแต่จิตใจมันไม่ทุกข์ทรมานนะ ทุกกายแต่ไม่ถึงจิตถึงใจมันก็จะเริ่มเป็นตรงกับที่พระองค์ได้สอนแนะนําเมาไว้ว่าโดนสอนดอกเดียวทุกกายมันก็ทุกแก่กายไม่ทุกถึงจิตถึงใจป่วยกายไม่ต้องป่วยใจนะเริ่มเห็นแล้วต่อมาก็คือเริ่มเห็นจิตเวลามันปรุงแต่งมันคิดแปรเดตมั่งมันคิดแปรนาคตมั่งมันคิดวิพาษวิจารณ์มั่งอยู่กับปิบันนี้แหละแต่ทําเข้าไปในความคิด แล้วก็เริ่มเห็นแล้วก็มันก็ตัดความคิดให้เราคิดแล้วโกรธแล้วโลภแล้วหลงแ ล, ล, แลง้วรักแล้วชังอิจฉาริษยาคิดแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปมากมายพวกนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อมันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้สมิธฐานของการคิดอย่างเงี้ยเลยเมื่อก่อนเคยคิดแล้วก็เกิดไหลไปนานๆตอนนี้มันรู้แล้วว่าอ๋อ น, นี่คือความคิดมันก็หยุดทันทีถ้ามีสติรู้เท่ารู้ทันอันนี้แหละจะเป็นตาที่สาม เป็นตาที่สามเรมิตาสองตาตาเนื้อเราเห็นวัตถุรั่วทานต่างๆแต่ว่าตาในคือตาสติตาพัญญามันจะเห็นตัวเองชัดเจนมากที่สุดเลยเห็นคนอื่นก็คือเห็นแหละแต่ว่าการเห็นตัวเองเราใส่ใจเห็นคนอื่นแเราก็เฉยๆเราไม่ได้ใส่ใจเพราะนั้นมันเห็นออกไปนอกตัวแต่ถ้าหากมีสติมีตาในดีๆมันก็เห็นออกไปนอกตัวด้วยแต่ไม่เอาเป็นความทุกข์ตัวนี้ไม่เอาเป็นความสุข มันก็จะเห็นศัพท์ว่าเห็นสัพท์ว่าได้ยินกับศัพท์ว่า ม, มันก็จะเป็นวัตถุรูปธรรม ouais, level, เหมือนกันเห็นก็เป็นวัตถุรูปธรรมเหโดยการสัมผัสด้วยไม้ด้วยมือด like, claro. ้วยร่างกายของเราเห็นการได้ยินเสียงขณะนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นวัตถุรูปธรรมเราเคยได้ยินแล้วก็บดดิบไม่พอใจมันก็กลายเป็นว่าได้ยินแล้วก็เฉยๆธรรมดาธรมๆธรรมชาติไปมันก็เกิดตัวพัฒนาขึ้นมา เราก็รู้สึกสนุกสนานไปกับการปฏิบัติอย่างนี้แหละต่อมาก็คือเราก็จะเห็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมมันก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยเพะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยทั่วสัตวร่างกายอันนี้สําคัญแต่ว่าใหม่ๆมันจะรู้เป็นจุดก่อนเท้ากระทบปั๊บมันก็จะรู้สึก เป็นจุดเป็นจุดหรือว่าการที่เราเคลื่อนมือปั๊บมันก็จะรู้สึกเป็นจุดเป็นจุดแต่พอเราฝึกไปฝึกไปใ้สิ่งที่เราเจตนาสร้างเราก็รู้ใ้สิ่งที่เราไม่ได้เจตนาสร้างเช่นลมพัดมาโดนหรือว่าการที่เรานั่งก้นสัมผัสพื้นเสื้อผ้าสัมผัสตัวหรือว่าผมคนที่มีผมยาวๆก็เชื่อว่าเวลามันหันซ้ายหันขวาผมมันเสียบสีกับผิวหนังเองก็รู้สึกตัว ก็เริ่มรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจนกรทั่งตัวคิดซึ่งเป็นตัวละเอียดมันก็ใช้เนื้อสมองอะนะมันเวลาคิดมันก็จะเค้นออกมามันก็จะรู้สึกได้คิดหยาบ ก, ก็มีคิดละเอียดก็มีที่มันปลานิ่ปลานิด่ดเนี่ยเราก็สามารถรู้สึกได้ก็เลยเกิดประโยชน์หยิบฟลังคิดมาใช้เจตนาคิดสมองเราเก็พลังงานได้น้อยที่สุดเพราะว่าตัวสมองเองเนี่ย ใช้พลังงานมากที่สุดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยต้อง ต, ตื่นยันหลับเราคิดไม่น้อยกว่า 60,000 เรื่องอันนี้เป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือลักษณะของเครื่ไฟฟ้าดิจิตอลจับเวลาคิดแต่ละกษณะลักณะมันก็จะมีกราบขึ้นมามีตัวเลขบอกที่จำนวนกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้ง ก็จับกันได้แล้วอย่างนี้เราก็จึงเห็นว่าวันทั้งวันเราสามารถเยียวยาสุขทุกข์ไหลไปกับความคิดได้ทั้งวันเลยถ้าเผลอไม่รู้สึกตัวเราก็จึงนี่แหละมาเข้าคอร์สกันเจวันทําไมต้องเจ็ดวันก็ดีกว่ามาห้าวันทําไมมาห้าวันมันก็ดีกว่ามาสามวันทําไมมาสามวันสามวันก็ดีกว่าหนึ่งวันทําไมต้องหนึ่งวันหนึ่งวันก็ดีกว่าไม่มาวัดเรียนรู้รับรู้ ฝึกขัปฏิบัติธรรเลยอย่างเงี้ยเราก็จึงใช้โอกาสนี้ใช้ความรู้สึกตัวที่เราจะสามารถจับหรือว่ากําหนดได้จําเป็นมากที่เราจะต้องกําหนดความรู้สึกตัวได้นะใหม่ๆต้องกําหนดไว้ก่อนถ้าเราไม่กําหนดมันจะเผล อ, อไหลไปจริงๆต้องกํากัดไรก่อนแต่พอเราทําเป็นแล้วปฏิบัติดีแล้วหรือว่าทําถึงถึงทําแล้วนะ ไม่ต้องปฏิบัติในรูปแบบใดๆทั้งหมดเพราะว่านั้นจะเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรทั้งหมดให้เราเราจะใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยได้ทั้งวันโดยเรื่องจะต้องคิดต้องพูดต้องทําก็คิดพูดทํามีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทํามีสติขณะคิดขณะพูดขณะทำหรือว่ามีสติหลังคิดหลังพูดหลังทำมาเนี้ยมันก็จะเกิดธรรมชาติเรียกว่าสันติสุขสันธิภาพ เป็นประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านกระทบกระเือนกระแทกกัน ต, ต่อต่อไปก็เป็นที่รับรู้กันได้กรรมดีก็ไปหากรรมดีบุญก็ไปหาบุญกรรมชั่วก็ไปหากรรมชั่วคนชั่วก็ไปทำชั่วนักการพนันก็ไปหานักการันันที่เสพสุราก็ไปหาเสพสุราที่เข้าห้างก็ไปเข้าห้างที่ไปสารพัดนะเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบ เรานั้นเรามาอยู่ที่วัดป่าสุโกเราก็พยายามที่จะทำสิ่งที่เป็นความชอบสูงสุดก็คืออริยมรรคมีองค์แปดมีความเห็นชอบขณะที่เรายกมืออยู่นี่มันก็เกิดความเห็นชอบขึ้นมาตรงๆเลยคือมันรู้ในสิ่งที่มันกำลังทำอยู่จริงๆมันเป็นความจริงจริงๆกำลังปรากฏขณะต่อขณะอันนี้ทิฏฐิเห็นชอบถึงถูกเห็นต้องจริงๆ มีอะไรอีกมากมายเหลือเกนเินเป็นความชอบจนกรทั่งันถึงสติชอบสมาธิชอบสติชอบคือเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติสัมชาติยานเป็นสติที่กลับมาหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเอง<ม>เป็นสมาธิชอบมันเกิดจากสัมมาสติมันก็เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนก็ว่าทำให้เกิดปัญญา ถ้เป็นลักษณะของสมาธิทำไม่ให้เกิดปัญญานั้นมันเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมามันจะเป็นลักษณะการรู้ออกไปนอกตัวตั้งมั่นสิ่งที่มันอยู่นอกตัวทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จึงเริ่มต้นกันหนึ่งวันสองวันสาวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันถ้าเป็นพระสงฆ์ตอนนี้ก็นับถอยหลังเหลื อ, อไม่กี่วันแล้ ว, ลวก็เจะ อ, ออกพรรษาแล้วก็จึงทําความรู้แห่งแตกฉานให้มันแจ้งออกมา เกิดการเห็นตรงแจงประจักษ์ในสัจธรรมร่วมกันอย่างนี้นะแล้วก็จึงสัมผัสรู้ลงไปที่ตัวเราไม่ต้องคิดรู้กันสัมผัสขณะหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งนะเป็นการสัมผัสรู้ที่จะพาเราไปสู่มรรสู่ผลเกิดนิพพานความเย็นอกเย็นใจต่อไปวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาไปสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่าน ได้เข้าถึงสภาวะของมรรคผลนิพพานในปยัญชาตินี้โดยทัา่ากันทุกท่านทุกคนนั้นเพิน